ตอนสมัยเด็กๆนะอาตมาเนี่ยจะถูกผู้ใหญ่ดุอยู่เสมอเพราะเป็นเด็กสนบอกกิจเนี่ยอยู่ไม่สุกเลยเวลานั่งนะขาเนี่ชอบไปเขี่ยกะลำมังเล่นกระละมังก็จะดังกงเก้งกงเกงผู้ใหญ่ก็ลำคาญกิจเนี่ยอยู่ไม่สุกเลยอยู่ไม่สุกเนี่ยแสดงถึงว่าอยู่นิ่งไม่ได้ภาษาไทยมันชวนให้เข้าใจธรรมะได้ดีนะอยู่ไม่สุก แสดงว่ามันเป็นทุกข์ทุกในที่นี้ไม่ใช่ทุกขเวทนาอาตมากาลังมีความสุขในแง่ของสุ ข, ขเวทนาแต่ตอนนั้นเนี่ยแสดงถึงทุกข์คือมันอยู่ไม่นิ่งจิตใจของเราก็ไม่นิ่งมันแสดงถึงทุกข์ลักษณะมีลักษณะเป็นทุกข์อยู่แต่ถ้าเราไม่ไมาใส่ใจไม่ดูลักษณะของมันไม่ดูก็เรียกว่าดูสภาวะที่แท้จริงเนี่ยจะไม่เห็นตัวนี้จะไม่เห็นตัวนี้ สิ่งที่ทําให้เราเกิดปัญญาคือมีจิตที่ไปเห็นลักษณะ3อย่างของสิ่งทั้งหลายคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่เราถ้าเป็นภาษาบาลีก็อนิจจังทุกขังอนัตตาสอย่างไตร ล, ล, ลักษณะสามอย่างไตรไปว่า3สิ่งเราเนี้ยถ้าเห็นอย่างนี้เรียกว่ากําลังเจริญวิปัสสนาแต่ถ้ามีกิเลสเกิดขึ้นมาแล้วก็ รีบดับมันไปด้วยกรรมฐานในบางอย่างเนี่ยตอนนั้นกําลังทาําสมถะนะเราต้องมาให้ถึงวิปัสสนาให้ได้เพราะมาในยุคที่มีพุทธศาสนาอยู่ต้องใช้ชีวิตนี้ให้คุม้มไม่ให้เสียของอย่างที่บอกเมื่อวานเกิดมาแล้วเนี่ยเรามีกายมีใจมาแล้วเนี่ยแล้วอยู่ในช่วงเวลาที่มีคําสอนนี้อยู่ยังอยู่ในช่วงเวลาที่มีภูมิความรู้อันนี้อยู่เนี่ย ภูมิความรู้เนี่ยอุบัติมาจากพระพุทธเจ้าที่ท่านทรงรู้ความจริงแล้วก็บอกต่อผู้ที่รู้ตามก็เรียกว่าเป็นภาษากภาษาวกก็บอกต่อกันมาเรื่อยๆยังคงรักษาคำสอนยังมีคงยังคงมีผู้รู้ตามแม้ในยุค ป, ปัจจุบันและเราก็ควรจะเป็นหนึ่งในผู้รู้ตามนั้นด้วยไม่ให้เสียเวลาที่อุส า, าเกิดมาในช่วงนี้ให้ได้เพราะท่านไม่ได้จากัดว่าจะต้อง เป็นพระจะต้องเป็นคนชาติไหนหรือต้องอายุเท่าไหร่ขอให้รู้เดียงษาท่านบอกว่าใหอ้อายุประมาณเจดขวบสมัยนั้น เ, นเด็กเจ็ดขวบท่านดูจากอะไรท่านบอกว่าความรู้เดียงสาก็คือว่าใช้ให้วิ่งไปไล่อีกาได้ไล่อีกาเนี่คนสมัยก่อนทำเกษตรนะอีกาบินมาจะกินมเมล็ดพืช น, นี่ ให้เด็กไปไล่ ก, กาถ้าเด็กทำตามคาสั่งได้เรียกว่ารู้เดียงสาโยมบางคนตอนนี้ก็ไล่ได้หลายอย่างแล้วนะไม่ใช่อีเฉพาะอี ก, กานันเดียงสาเยอะมากแล้วพร้อมพอที่จะมาเรียนรู้ในสิ่งที่เรียกว่าเป็นความจริงอันนี้ให้ได้มันมีความจริงอยู่สองแบบที่เราจะที่เราควรจะรู้ความจริง ที่สมมุติกันเรียกว่าสมมุติสัจจะกับความจริงที่เป็นความจริงจริงๆมีจริงแบบสมมุติกับจริงจริงๆภาษาบาลีเรียกว่าปรมัตทสัจจะสมมุติสัจจะก็เช่นอะไรดียกขึ้นมาเนี่ยอันนี้เราก็เรียกว่ามือถ้านี้เรียกว่าพระถ้าเป็นชื่อก็คุณนิ่งหนินะนั่นคุณชมพูอย่างเงี้ย เป็นชื่อนี่คุณเจี๊ยบเนี่ยรู้จักได้เพราะามีป้าย <c oughs> คุณดาวอย่างงี้นะเป็นชื่อสมมุติกันเราเรียกกันที่นี่ว่าอย่างนี้เกิดมาแต่ถ้าคนไทยเราเรียกว่ามือแต่ถ้าฝรั่งมาก็เรียกแฮนด์คนจีนก็ได้อีกอย่างหนึ่งพม่าเรียกอีกอย่างหนึ่งเรียกไปเป็นสมมุติสมมุติคือ มาจากคําบาลีเรียกว่าสังมติสังแปลว่าร่วมกันมติคือความเห็นความเห็นร่วมกันในที่นี้มีความเห็นร่วมกันว่าคนนี้ชื่อคุณเจี๊ยบคุณนั้นชื่อนิ่งๆที่เห็นร่วมได้เพราะว่ายอมรับตามความจริงว่าเพราะว่าเขาแนะนําตัวเองว่าชื่อนิ่งๆก็อ ย, อ, ยอมรับกันก็เรียกกันแต่ถ้าเกิดไม่ชอบใจชื่อนี้ไปเปลี่ยนชื่อ ก็ต้องมาประกาศให้เขายอมรับให้ได้ว่าฉันเปลี่ยนชื่อแล้วนะ <c oughs> ประมาณอย่างนี้นนะอันนี้คือสมมุติสิ่งที่เหนือจากสมมุติขึ้นไปคือทุกชนชาติเลยจะต้องรู้สิ่งนี้เหมือนกันรับรู้สิ่งเดียวกันเช่นแตะไปเกิดร้อนคำว่าร้อนเนี่ยเป็นภาษาไทย ฝรั่งก็บอกว่าฮอตแต่ความรู้สึกว่าร้อนเนี่ยทุกคนไม่ว่าชาติไหนแม้แต่หมาหรือแมลงวันก็รู้ได้ว่านี่คือร้อนจ่ายไหมเย็นของจริงของแท้โกรธคนไทยโกรธคนจีนยัว่วอะไรเงี้ยนะคนฝรั่งแ อ, องกี้ยงงคำพวกนี้เป็นคาสมมติแต่ความรู้สึกโกรธเป็นความจริงแท้ๆในใจ เวลาโกรธเนี่ยจะมองคนที่เราโกรธว่าไม่ดีคนนั้นไม่ดีคนนั้นเลวคนนั้นทําสิ่งที่ไม่สมควรไอ้สิ่งที่เขาทาแล้วเราตัดสินว่าไม่ดีเลวไม่สมควรเนี่ยยังเป็นสมมุติสิ่งแท้ที่เกิดขึ้นคือความโกรธที่เกิดขึ้นในใจเห็นคนนี้สวยคนนั้นหลอ่อน่ารักสวยหลอ่อน่ารักเนี่ย สมมุติคือเราคิดเองคนอื genocide, zien, ่นจะมองแล้วธรรมดามากจืดแต่เราเนี่ยร right. ู э <S <s so ้สึกว่าสวยหล่อน่ารักเห็นเขายิ้มให้เรารู้สึกเกิดราคะคือชอบใจในรอยยิ้มอันนั้นก็อาจจะยิ้มลอยๆก็ได้อาจจะไม่ได้มีอะไรไม่ได้คิดอะไรกับเราเลยยิ้มให้เฉยๆมีพระที่วัดเนี่ยมีโยมาคอยเฝ้า อยู่ที่ศาลาทุกวันอยู่ช่วงหนึ่งตอนนี้หายไปละแต่ตอนที่เฝ้าเนี่ยเขาเข้าใจว่าพระ อ, องค์นั้นมีใจให้เขาโยมก็พยายามกีดกันนะโยมก็รักพระใช่แต่รักในที่นี้คือจะรักษาพระไม่ให้มีโยมผู้หญิงมายุ่งด้วยก็ไปถามโยมที่ที่คอยเฝ้าอย่างเนี้ยทำไมมาเฝ้าบอกว่าทำไมเฝ้าไม่ได้เหรอถามไปถามมาก็ ได้ทราบว่าเขาเข้าใจว่าพระเนี่ยมีใจให้เขารู้ได้ไงว่ามีใจให้พระยิ้มให้อตมาฟังแล้วตายแล้วว่ะเรานีา่แจกยิ้มไปทั่วเลยเสร็จเลยอย่างเงี้คิดมากไปเองพระยิ้มให้ไม่ได้มีใจที่จะในด้านราคะแต่คนที่เห็นรอยยิ้มมีใจราคะกับพระ ยิ้มให้มีใจอะไรตัวเองเข้าใจอย่างนั้นเรียกว่ามีสมเข้าใจตามสมมุติที่ตัวเองคิดเอาเขาจะมีราคะราคะเกิดขึ้นจริงในใจเขาแต่พระมีราคะหรือเปล่ายังไม่ใช่ใช่ไหมเห็นคนรออกล้ามเนื้อเป็นมัดๆเลยซิกแพคอยากเชื่อว่าเป็นผู้ชายจริงใช่ไหมยังไม่แน่ใช่ไหมโอ้โหแมนมากบึกบึน จะจริงหรือเปล่ายังไม่แน่เลยแต่เห็นแล้วเราเกิดราคะราคาเกิดขึ้นจริงใช่มเห็นมาเลยสวยมากเลยเึืงว่าอย่าเชื่อว่าเป็นผู้หญิงแท้ <c oughs> ใช่ไหไปทักสวัสดีค่ะ <c oughs> โอ้แย่เลย